เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะอายุสามขวบช้าวันหนึ่งก็มายืนรออยู่หน้าบ้านเช้าตรูเลยคนแถวนั้นก็สงสัยว่าเด็กคนนี้มารออะไรในมือของเด็กคนนี้เนี่ยก็ถือถุงขนมเต็มถุงเลยแต่ว่าไม่หนักมากคนเห็นก็สงสัยนะยืนถือถุงขนมนี่ทาอะไรรอใครเส้าพักก็รู้คาตอบนะ รถขนขยะพอมาจอดหน้าบ้านพนักงานขนขยะนี่ยังไม่ทันจะขนขยะที่อยู่หน้าบ้านคนเด็กคนนั้นเลยเด็กคนนั้นก็เดินไปหาพนักงานขนขยะแล้วก็ยื่นขนมให้ยื่นถุงขนมให้นี่ไม่ได้ยื่นให้คนเดียวนะพนักงานขนขยะก็มีสามคนคนขับรถรวมคนขับรถด้วยเด็กคนนี้ก็ไปเอา ขนมอีกสองถุงมายื่นให้กับพนัก ง, งานเก็บขยะที่เหลือพนัก ง, งานนี่ก็สงสัยนะมันมีอะไรเป็นวันพิเศษหรือเปล่านะของเด็กคนนี้ ไ, ได้คำตอบว่าเป็นวันเกิดนะคนที่บอกนี่ไม่ใช่ใครนะคือย่า ย่าบอกพนัก ง, งานเก็บขยะว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของหนูคนนี้แหละอายุ3ามขวบพอดีพนัก ง, งานเก็บขยะก็เลยโอ้ยดีใจามากนะอุ้มเด็กคนนี้แล้วก็พาไปช่วยทํางานด้วยนะไปกดปุ่มที่เปิดให้อ่าเครื่องอัดบทขยะนี่มันทํางานเหมือนกับว่า ให้เด็กคนนี้ได้มีส่วนร่วมในการเก็บขยะหรือกำจัดขยะด้วยเด็กก็มีความสุขมากเด็กก็ดีใจจริงจริงเด็กดีใจแล้งแต่ตอนที่มอบของเรื่องของขวัญก็เลยนะของขวัญวันเกิดให้กับพนัก ง, งานเก็บขยะมันเป็นภาพที่ดีมากเนะคือเป็นการแสดงความขอบคุณคนที่มา บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบ้านของเด็กคนนี้พนักงานเก็บขยาจริงอยู่นะเขาก็มีเงินเดือนแต่ว่าสิ่งที่เ็าทำนี่มันก็เกิดจากความหมั่นเพียรเกิดจากความขยันแล้วก็เขาก็มีน้ำใจต่อ บ้านแต่ละหลังที่เข้ามาเก็บขยะและเฉพาะสิ่งที่เขาทำนี่มันก็มีคุณค่ามีประโยชน์นะต่อบ้านของเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็เลยแสดงการขอบคุณโดยเลือกเอาเป็นเอาเลือกเอาวันเกิดเนี่ยเป็นวันสำคัญวันเกิดนี่ปกติคนก็ ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการรับของขวัญ น, นะโดยเพราะค่านิยมวัฒนธรรมฝรั่งเป็นวันที่ใครต่อใครจะมามอบของขวัญให้เจ้าของวันเกิดจึงมีความสุขนะที่จะได้ของจากคนน้นคนนี้รวมทั้งพ่อแม่แต่ว่าในวัฒนธรรมไทยเนี่ยวันเกิดก็คือวันที่เราทำความดีทำบุญทำกุศล อย่างน้อยๆก็มอบปัจจัยหรือเครื่องทยธรรมให้กับพระซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีคนขยายไปทำกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยคนชราบ้านพักคนชราหรือว่าเด็กที่ยากจนเด็กกาพร้าวันอย่างนี้ก็ควรเป็นวันที่เรานึกถึงการทำความดี และย่าเนี่ยก็สอนหลานว่าเนี่ยวันเกิดทั้งทีมาทำดีกันให้เพิ่มขึ้นกว่าปกติก็คือมาแสดงความขอบคุณพนัก ง, งานเก็บขยะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนนึกถึงเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนยากคนจนเป็นคนใช้แรงงานแต่ว่าย่านี่สอน สอนหลานดีนะว่าเนี่ยเ้ามาเก็บขยายเราทุกวันเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขาเป็นการสร้างนิสัยขอบคุณคนที่มาช่วยเหลือเราเราเป็นการทําให้เห็นคุณค่าของคนแบบนี้ด้วยเราจะขอบคุณใครเนี่ยมันก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าของเขาการที่ สอนหลานเนี่ย่ยาสอนหลานให้เห็นคุณค่าของคนที่มาใช้แรงงานบริการไม่ใช่เฉพาะบ้านของเด็กแต่ว่าชุมชนของส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็มันเป็นการปลูกฝังสำนึกที่ดีๆให้กับเด็ก จริงๆนอกจากการปลูกฝังสำนึกให้กับลูกหลานแล้วเนี่ยเราก็ควรทำอย่างนี้กันบ้างนะบางคนไม่มีลูกไม่มีหลานแต่ว่าก็ควรควรแสดงความขอบคุณคนที่เขาบริการช่วยเหลือเราอาจจะไม่ใช่เป็นพนัก ง, งานเก็บขยะ จ, จะเป็นคนกวาดขยะแถวบ้านหรืออาจจะเป็นพานโรงในโรงเรียน หรือว่าในสำนักงานที่เราทำงานอันนี้เป็นการทำความดีนะที่ถ้าทุกคนทำกันอย่างแพร่หลายนี่มันก็ทำให้สังคมนี้น่าอยู่และจริจริงนอกจากการขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราแล้วที่เป็นคนและคนน้อย การให้กําลังใจคนทําดีเสียเสียมีน้ําใจเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรทํานะมีถนนถนนสายหนึ่งนะเป็นถนนเล็กๆในหมู่บ้านสายวันนึงเนี่ยปรากฏว่ามันมีหินสี่ก้อนเนี่ยอยู่บนถนนขวางเลนเลยนะเลนมีสองเลนเนี่ยเลนนี้มีหินสี่ก้อนนี่ วางอยู่กลางเลนเลยก็มีหลายคนขับรถผ่านไปผ่านมารถจักรยานนะนะมอเตอร์ไซค์หลายคนก็ไม่สนใจหินกลุ่มนี้บางคนขี่จักรยานมาก็ดูจะมีน้ำใจหน่อยก็พยายามที่จะเอาขาเนี่ยถีบหินออกไปให้มันออกไปจากถนนส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่นี้แหละ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาบนฟุตบาทก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่ามีคุณแม่ลูกอ่อนคนนึงนะแกก็เข็นเด็กเนี่ยก็คงเป็นลูกนะบนฟุตบาทคงจะเป็นการพาลูกมาเดินเล่นมาสัมผัสอากาศยามเช้าพอเห็นหิน4ี่ก้อนเนี่ย ให้หยุดรถเลยนะอยู่รถเข็นเลยแล้วก็เดินลงไปที่ถนนแล้วก็เข็นแล้วก็ขนหินมาวางไว้ข้างถนนทีลาก้อนทีลาก้อนเพราะว่าพอยกหินก้อนสุดท้ายนี่มีเงินนะธนบัตรวางเอาไว้อยู่หินก้อนสุดท้ายมันทับเอาไว้ถ้าไม่ยกก็ไม่เห็นนะ เพราะว่าหินก้อนใหญ่แต่พอคุณแม่คนนี้เนี่ยกยกหินก้อนสุดท้ายนีย่เห็นเงินแบ่งพันนะรู้ก็ดีใจมากเลยคนที่เอาหินมากงเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะก่อกวนนะเขาอยากจะให้รางวัลคนที่เสียสละคนที่มีน้ำใจก็เลยเอาเงินเนี่ยนะ ซุกไว้ใต้ก้อนหินคนที่จะเห็นเงินก้อนนี้ได้ต้องเป็นคนมีน้ำใจต้องเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมนึกถึงผู้อื่นอันนี้ก็เป็นวิธีการให้กาลังใจคนทําดีนะใครที่ทําดีนึกถึงส่วนรวมก็จะได้รางวัลคนที่เอาเงินมาวางไว้เนี่ยนะก็ถือว่า เป็นคนมีน้ำใจเหมือนกันนะเป็นการทำความดีชนิดหนึ่งนะคือการให้กำลังใจคนที่เสียสละคนที่มีน้ำใจก็เป็นวิธีการทำความดีที่น่าสนใจนะซึ่งสำคัญมากหรือเหมาะมาสำหรับยุค น, นี้ไม่ว่าจะเป็นการขอบคนคนเล็กคนน้อยที่เขาให้บริการให้ความช่วยเหลือกับเราหรือกรารกส่วนร่วม หรือว่าการให้กำลังใจนะให้กับคนที่ทำความดีโดยที่ไม่แสดงตัวเลยนะเจ้าของเงินนี่เป็นใครก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนที่ทำความดีแล้วก็ได้เงินได้ธนบัตรนะที่ว่าไปนี่เขาดีใจแน่และซาบซึ้งใจ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะแต่เป็นการทําบุญที่ไม่เหมือนการทําบุญทั่วไปเพราะการทําบนญทั่วไปเนี่ยเราทำก็เพราะหวังจะได้อะไรบางอย่างเช่นมาทําบุญวันเกิดที่วัดโดยการถวายสังฆทานหรือว่าเอาอาหารไปเลี้ยงคนยากคนจนเนื่องในวันเกิดเราก็ถือเป็นการทาบุญอย่างหนึ่งนะแต่ก็หวังบุญนะหวังได้ประโยชน์ เนบุญที่เกิดขึ้นก็ทําให้เรามีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลในวันเกิดแต่ถ้าเราลองทําความดีที่มันอยู่เหนือบุญหรืออยู่เหนือการทําบุญแบบนี้คือทําโดยไม่ได้หวังอะไรเลยอยากจะช่วยเหลือเขาขอบคุณเขานะให้กําลังใจเขา แ, แบบนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันนะแต่เป็นการทําบุญที่มันอยู่นอกเหนือการทําบุญที่เราคุ้นเคยกันและเราควรจะทําบุญหรือทําความดีแบบนี้กันมาก มันทำได้ทุกวันไม่ต้องรอวันเกิดแล้วถ้าดีก็สอนลูกสอนหลานให้ทำแบบนี้ด้วยนะสอนลูกไม่ใช่สอนด้วยคำพูดแต่สอนด้วยการกระทำยิ่งดีก็ไปใหญ่